ฟังเพื่อเกิดปัญญาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใครมีปัญญาบบรณบอกมีปัญญามันมีทรัพย์นับแสนเพราะปัญญานนั้เป็นอริยทัพย์นี่คือเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกเหมือนที่เราไม่อยู่ทัพย์ภายนอกคํามไม่ให้โจมเอาไปได้ รับกัมยได้ mm hmm. แต่์ภาพในนี้ไม่แด้เขาไปได้มันถึงต่างกันกู mm hmm. ถึงรั์ที่เป็นทร์ภายนอก mm hmm. มันเป็นต้นเหตุของความโลภทั้งปวงถ้าเราไม่รู้จักประมาณมรู้จักพอในการหา <c oughs> มันเป็นโทษใดอย่างไรก็พูดอย่นี้กับมัน ก, ก็มองโลกในแงไร้ายแต่บอกว่าฟังให้เป็นธรรมคือธรรมะบนี่คือการฟังธรรมไม่ฟังโลกมันชัดเจนเลยถ้าฟังโลกก็คิดแบบโลกเป็นฟังธรรมก็ต้องคิดแบบธรร ม, มทาไมต้องบอกเป็นต้นต่อ ความโลภหรือปัญหาสับสนปนวายุงเยิะทุกวันก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้สุดท้ายถ้าใครไปละเมิดสิ่งเหล่านี้จะโดยวิธีใดก็ตามโดยการฆ่ากันเพื่ออะไมาทรมานตระกรรมเพื่ออะไรมา จบจริงวิ่งราวขโมยชอบโกงเพื่อให้ได้มาเรื่อนี้เป็นตน้นนี่คือเป็นที่มาของความทำให้เราเป็นร่วงระมิดในสิ่งเหลนี้ <c oughs> มันจึงเป็นผลหรือว่าผลเสียที่เราเองก็ยังมองไม่เหน็นที่มองไม่เห็นเพราะไม่เกิดปัญญา เพราะนั้นพวกล่วงละเมิดเหล่านี้ <c oughs> กดบ้านเมืองเขามีเอาไว้เพื่อจับคุมคุมขังจำกัดสิทธิ์เพื่อให้รู้ว่าคนไปล่วงละเมิดก่อนที่จะจับคุมคุมขังเขาก็ให้โอกาสแก่ตัวเบืเ้องต้นก็คือหนึ่ง จริงไหมก็มีการสืบสืบสวนสอบสวนสืบแล้วก็พิจารณาพิจารณาก่อนค่อยตัดสินอันนี้คือความยุติธรรมเกิดขึ้นทีนี้โอปปาย โ, ฆโฆนกน้อม็่าทุรรบเหมือนกันถ้าทุกอย่างที่ผ่านหูผ่านตาผ่านแะไเราใช้หลักการอันนี้คือ สืบสวนสอบสวนหาต้นตอหาเหตุผลมันก่อนแล้วค่อยพิจารณาแล้วค่อยตัดสินทีหลังเช่นเราเห็นคนนั้นคนนี้คนคน้นพอเห็นปุ๊บยังไม่ทันเลยเกิดชอบไม่ชอบดีไม่ดีตัดสินใจซะแล้วคือเราเป็นสารได้เลยตัดสินคนเดียวลัดขั้นตอนหมดเลยสืบสวนไม่มีพิจารณาไม่มีตัดสินเลยเป็นสารเลย อันนี้รกว่าขั้นตอนอย่างนี้จะเรียกว่ายุติธรรมได้ยังไงมันมมนยุติธรรมจะอะไรก็ตามผลหรือปลายของการกระทำเหล่านี้มีที่อยู่ก็คือคุกเราะฉะนั้นคุกเราจึงสร้างกำแพงกั้นอาไว้มาให้ของที่ไม่ดีอยู่ข้างในออกมา จึงก็มาจากข้างนอกจะไปขังรุมกันเพื่อให้สํานึกในสิ่งที่เอ็นการทาเดียว่ากับไม่ไม่ให้ของเึ่งในออกมาดี <c oughs> กว่ากําแพงคุกส่วนกําแพงที่เราติดเนี่ยเราก็ติดคุกเหมือนกันเราในทุกคนติดคุกเหมือนกันแต่เป็นกําแพงภายในคือกําแพงใจ กระเพงใจมันตารกระเพงคุกกระเพง ค, คุกนันเขาขันไม่ให้ออกมาคือไม่ให้คนข้างในออกมาแต่กระเพงใจนะกั้นไม่ให้ของไม่ดีที่อยู่ข้างนอกคือนอกตัวเรานอกแต่เข้ามาสู่ใจนี่ก็คือกระเพางใจเพราะนั้นตาหูจมูกที่มันส่งไปข้างนอกหาของไม่ดีมันจะ้าไปในใจกั้นเอาไว้แล้วเรามีกระเพงเรอยัน กำแพงนั้นก็คือศินเป็นตัวกัน้นถ้าเราไม่รักษาศินไม่ถือสินไม่ปฏิบัติตามศินในเบื้องตน้นผู้นั้นชื่ะไม่มีกำแพงพะนั้นเมื่อ ม, มีกำแพงสิ่งภายนอกมันเข้ามาได้ง่ายนะเพอนหนึ่งสองสามสี่ล่วงละเมิดกันเข้าไปมันก็เข้ามาสู่ภายในได้เพราะเราไม่มีกำแพ ง, เ ป, เ, งเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องตีกั้นไม่มาขา้างใน พระฉะนั้นสินก็คือกำแพงส่วนคนที่ติดคุกก็คือคนทำลายคนที่มีกำแพงคนที่เข้าโรงงานก็จะกลับไปกัดไปขังไปกัดบรเวณใดโดยสร้างกำแพงเอาไว้เป็นสัญลักษณ์วัายาออกมานะซึ่งต่างกับใจใจยาให้เข้ามาอันนั้นยาออกมามันต่างกันเพราะฉะนั้นสิงสองอย่างมันสวนทางกัน เพราะนั้นคุกเป็นที่พันธนาการคือผูกมัดจัจองใส่โซ่ใส่ตรวนจำกัดสต ท, ทุกอย่างส่วนเราเรา่องนี้หมายถึงใจของเราทุกคนใจเรานี่ก็ติดติดคุกเหมือนกันแต่คุกกันนี้คุกว่างใจไปสานมากนั่นก็คือวตัตถุประสงานอันนี้ เราพกบนไปบนมาก็ไหมส่วนการติดคุกข้างนอกเขายังมีโอกาสสมมติทําทำตัวดีประพฤติตัวดีเป็นนักโทษชั้นดีก็ลดหย่อนลงไปจนสุดท้ายออกมาภายนอกแต่ทำอีกกอ้กับอีกอันนี้คือคุกส่วนคุกภายใ น, เ, นยเราไม่เคยออกเลยสักครั้งเดียวยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือ ไม่รู้ตัวเองว่าติดคุกอะไรคือปัญหาของมนุษย์ไม่รู้ตัวเองว่าติดคบคือวัตถุจงารานั้นติดข้อบเอไว้เราก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวเข้าเที่ยวออกเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวไปที่มากลับไปกลับมาอย่างนี้ก็คือเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมกลับมาเขาปุ๊บเด้กก็ออกมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวัง ไม่ศึกษาดูใจของตัวเองเราก็จะเป็นอย่างนี้เรากระโดดพันธนาการคือภูมมัดผู้ชายกับมันผู้หญิงผู้หกัดผู้ชายาาสารพัทรัพย์สินเงินทองขอ ง, ของกรรมมัดตัวเองเอไว้ไม่สามารถจะปล่อยไม่สามารถจะมาเพราะนั้นโบราณเขาบอกว่าหนักเหนื่อยก็ให้พักหนักก็ให้วางเหมือนเรอถ้าเรารู้สึกว่เาเหนื่อยเราก็พัก ทำการทำงานเต็มที่อยู่พักเลยมันก็ลดน้อยพอมันทอลอไปเลยพักหนักถ้ารู้ตัวหนักกระวางแต่ไม่รู้ไม่ยอมวางวางในที่นี้มาถึงภาระคือขันห้านนี้บอกภาระเาไว้ปัจากขันทางขันห้าเนเป็นภาระอันหนักเราก็เคยปล่อยเลยมนเคยวางเลยสักครั้ง แม้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวอือเปคือป่ิมากันหนัก อ, อกหนักใจท้ายกระแบกแบกอยู่อย่างนี้โน่นหนึ่งทีง่จิตออกจากร่างแล้วตาสีกันหน้าเนี่ยมันก็หมดสภาพทีนี้จะไปไหนมับไปไหนวนเรียนอยู่ในคุกนีแ่แหละแต่กับไปกละมามากลับไปถ้าใครนี้ เบียงมีข้าวปลาอาหารมีทุนมีร้อนก็ไปดีหน่อยสู่พบสูชาติที่ดีหน่อยเพราะนั้นอุทยานเบอกว่าการเกิดป่วยป่อยมันเป็นทุกข์ให้เรารู้เห็นโทษภัยเพราะการเกิดเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งความปรารถนาตั้งความหวังหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตอย่าไปตั้งเป็นอย่างอื่นให้ตั้งไว้ว่าการเกิด ขอข้าพเจ้านี้ถึงแม้จันเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ก็ขอให้เกิดพบเกิดชาติน้อยที่สุดให้มันเกิดน้อยที่สุดจนปัจปจุบันเราเป็นพันปีมาแล้วก็เห็นไหวตายเกิดมันไม่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรารู้แล้วว่าเกิดมาเป็นพันปีมันลําบากก็วนไปไม่กลับไปไม่ น, ไนี้นเที่ยวเข้าที่ยออกตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่ ว่าพยายามให้มันเกิดถ้าเอาชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวถ้ามันเป็นไปไม่ได้ยังไม่หมดยังไม่สช่หนึ่งตามงคําวังว่ามันเกิดน้อยพบน้อยชาติให้มากที่สุดนั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วพระเจ้าท่านไดปองเราไว้ถ้ามีบารมีมาก่อนหมายถึงบารมีเสริมในทิฏตาชาติ7จดวัน7จดเดือนจดปี7จดชาติ หรือถ้าอย่เรื่องชาติเดียวแต่ต้องจริงจังนะต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่อธิษฐานเสร็จแล้วก็เฉยไม่ทําอะไรเหมือนอธิษเหมือนเราตั้งใจอยากกินข้าวอยากกินผัดอยากกินแกงนั่นนี่นู่นแล้วก็ไม่ทําตั้งใจไปเฉยแล้วก็ไม่ลงมือทําไม่ลงมือปรุงแล้วก็ไม่ลงมือกินมันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่ได้สัมผัสรสชาติของอาหารเหล่านั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้ว อย่าเดินไปสู่กฎหมายอ น, นั้นให้มันพยายามลดให้มันมากภาระที่อยู่ให้มากสุด น, นี่ก็ปลดปลื้มปัญญาการสิ่งที่ปลดปลื้มปัญญาการที่สำคัญที่เราต้ศึกษาให้เข้าใจอะไรจะที่ต้นก็คือทํำไมเราจึงกลับแปลกลับมาเหมือนกับคนหลงทางเราะเราเห็นเคยลงทางถ้าใครไม่เคยลงทางอาจจะไม่รู้จัก นี่หลงทางมาไม่รู้กี่รอบหลงป่าหลงดงหลงดอยจนเราไม่รู้กี่รอบคือหลงคือหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ไปทํางไหมาทางไหก็ได้แต่เดินไม่เดินห า, ท า, น า, านทางออกไม่ได้เนี่ยมีความหลงไอ้หลงชั่วข้าวที่มันหลงท้าวรเป็นอย่างนี้ที่มันหลงท้าวร์เพราะอะไรหลงอะไรหลงสมมติสมมติจะเรามีอยู่อย่างนี้เราสมมติ สมมติมีสอย่างคือสมมติสัจจะสมมติคือจริงแต่มันมันสมมติที่เป็นความจริงอีกนึงเรียกว่าปรมัตทศสัจจะคือสมมติที่เป็นเหนือสมมุตินถ้าเราศึกษาสมมติสองอย่างเนี่เพื่อให้มันติดสมมติเพื่อไม่ข้ามสมมุติแห่นนี้สมมติถ้าอย่าไม่สมมติตัวนี้ยังข้ามสมมุติอันนี้ไม่ได้คืออย่าข้ามค้นไม่ได้ลําบากงั้นที่เราทําเนี่ยเพื่อรู้เรียนรู้สมมุติอันนี้ ใช้สมมุติมันคุ้มให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคุนค่าใช้แล้วทิ้งแต่เราใช้แล้วมันไม่ทิ้งไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นมันสอนเราอย่างกระดาษอย่างไรใช้แล้วก็ทิ้งไป็นเด็ใช้ต่อแต่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักทิ้งสมมุติเลยใช้สมมุติแต่ไม่ทิ้งอะไรนี่เราเจะก็คงจะเป็นโทษใครไม่ได้ ที่ไม่ทิ้งก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าก็มันยังดีอยู่มันจะเป็นต้องไปทิ้งนะมันอย่างนี้ก็เลยหลงสมุเ ม, มื่อหลงก็บอกสุดท้ายมันก็เดินวนไปเวียนมาในวัฏตสนนะสงสารเนี่คือติดคุกนั่นเองแต่บาคคลอันนี้มันเป็นปลาใหญ่ไม่ใช่ป่าเล็กถ้าป่าเล็กเราข้ามไปได้นี่ไม่เป็นปลาใหญ่หลายคนที่ติดอยู่นี้นี่คือการอาพบ รูปภพกับอาลูภพอย่างเนี้จึงเรียกว่าติดคุกในวัฏสงส า, งารค า, าว่าการมาพก็คือผูพรีดยมบริโภคกรารยังใช้การใช้บริการอยู่คือกิเลสการมวัตถุกา ร, กรามคำว่าการก็ยังใช้สอยใช้บริการอยู่อย่างนี้เรียกว่าติดสัพพะติเป็นเยื่อทั้งหลายแหละเรียกว่าการมาพบอาลูภพที่มาติดเช่นรูปแบบนี้ กามาพบรู้เพาะอรูณประกอบเขาไม่มีรูปหยาบอย่างเราก็เป็นรูปละเอียดรูปละเอียดก็ได้ไม่ออกมาบมันที่เราฝันนั่นแหละเดินไปด้วยกับฝันนัรนเห็นรูปกับฝันนั่นแหลคือรูปละเอียดแต่นั้นไม่ใช่ขันห่านเปลี่ยนแค่ขันสีที่เราเห็นเป็นขันห่านก็แต่ก็ยังติดยังไงก็ยังติดคือยังมีตัวมีตนอยู่ยังติดในนั้นอยู่ก็ยังไปไม่ได้ก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะมันไม่ทิ้งจิตมันไม่ทิ้ง มันไม่เหมือนกับร่างกายจิตมาออกจากนี้มันก็ทิ้งแล้วคือร่างกายอันญยาบันนี้มันต่างกันจิตนี่มันละเอียดมันฉลาดล้ำลึกกว่าที่เราคิดจิตที่เป็นอนุัยอนุัยคือมาจากนิสัยตั่เองนิสัยมาจากไหนเคยพูดอยู่เสมอนิสัยก็คือมาจากความคิดคำพูดการกระทาจําสมอทาบ่อยๆย้ำย้ำย้ำสุดท้ายมันก็เป็นนิสัย มันเป็นนิสัยเป็นประจำวันนั้นนั่นคือกรรมนั่นไงคือกรรมก็คือการกระทําของเราเองเพราะฉะนั้นแก่กรรมแก่ได้ก็แก่ตรงนี้ก็แก่ของคิดการพูดการกระทําตัวเรานั่คือการแก้กรรมเวลาไปแก้อย่างอื่นแก่อย่างอื่นยิ่แก้อย่างยิ่เมื่อเป็นนิสัยเป็นประจําประจำทำนิส่แก่ได้บ้างแก่ได้แต่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งมันแก่ไม่ได้ มันข้ามไม่รู้กี่พวกปีชาติโดยเฉพาะมันแค อ, อานุใสคือการ น, นอนเนื่องด้วนั้นไม่รู้กี่พ่อปีชาติยิ่งลำบากแก่ยากมันละเอียดละเอียดยิ่งกว่าเราเราจุดตามไม่ทำกลายเป็นผู้หลงเรากลายเป็นผู้ตามมันตลอดเวลานันี่นคือคิดละเอียดจังละเอียดเพราะนั้นวิหลากการของคเนะจ้าติวางไว้ในช่เที่ยงจริงๆกิดละเอียดที่มัยา พูดง่ายๆที่เราเห็นได้แต่ต้องนายจะฝาดไ ด, ได้ปฏิบัติปัญญาเมันอย่างๆเนี่ยนะจะปราบด้วยสิ่งเพราะฉนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติตามสิ่งก็ไม่สม า, า ม, มรารถที่ปราบกิเลสมอย่างนี่นได้คือปราบไม่ได้ปราบประโยชน์ที่พูดถึงสมาธินี่คือความสําคัญความยิ่งใหญ่ของศิลงเพราะฉะนั้นให้เราสํารวจตัวตาดูก่อนปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจถ้าไม่มั่นใจว่าไม่สุดก็ตั้งจิตเอ า, าคือสมาทานเอาเร็วเจตนาวิรัต ก่อนที่จะทำสมาธิเพื่อทําจิตเจริญสะอาดเรียกว่าชําระให้มันหมดจด น, นี่คือคุณค่าของศีลเมือ่อศิลบริจดแล้วมันเป็นเหตุอยู่ต้นเหตุผลของมันก็คือสมาธิทําให้จิตเราเป็นสมาธินึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิตัวจิตที่เป็นินมันก็จะเป็นเหตุต่ออดส่งต่ตอไปทําให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็นผลของสมาธิปัญญามันก็เป็นเหตุอีก คือปัญญาเป็นเหตุส่วนต่อไปที่เกิดจา ต, ต่อปัญญาคือวิมุตต์คือความบุญ้นตัวสุดท้ายเพราะนั้นเดินทางนั้นมันจบคือสิน้นสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตต์คือความบุญ้นเพราะฉะนั้นวิมุตต์จึงเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงวิราโคเซโตธรรมนั้นวิราคะคือปัจจารการกระทับกระทั่งการจะราคะถือว่าเป็นยอดแห่งธรรม นการเดินทางเร็วในทางวางการปฏิบัติเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปทุกคมลดน้อยถอยลงไปเป็นไป้วกคำเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปท่าสี่ขันห้าอันนี้รองตัวเราเพราะงั้นการปฏิบัติจริงๆผลสุดท้ายไปทำต้องยกจิตขึ้นมาพิเพื่ออะไรให้เห็นสิ่งเหล่านี้คือให้เห็นสิ่งทีมันเป็นโทษเป็นภัยต่อเราต่อ ตอนเราในที่นี้หมายถึงภัยในวัดตาสงสารเพราะนั้นคําว่าพิกขูพิฆสุท่านแปลอยากเพราะมาว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัดตาสงสารนีน้ถ้าเป็นพระแล้วยังไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัดตาสงสารก็ชื่ะเป็นผู้หลงเหมือนกับเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ร่วมเดินทางผู้หลงทางเช่นเดียวกันแต่ผู้ใดก็ตามถ้าเห็นภัยในวัดตาสงสารแล้ว ผู้นั้นก็จะเชื่อว่าเปิดโอเวนไพรคือสามารถที่จะหลุดออกจากอุตคตของการอันนี้ได้อันนี้คือความสําคัญไม่เช่ะนั้นการที่เราต้องหลายพิจารณาตัวเราตามที่เราเรียกชื่อขันคือเป็นกองกองกองกองกองมีก่ออะไรรูปเวทนาสัญญาการวิญญาณตัดเข้ามาเป็นกองกองกองกอง และพิจารณาแต่เราอยากให้เข้าใจแต่ว่าการพิจารณานั้นต้องจิตต้องเป็นสมาธิก่อนตามลําดับก็คือศิลเป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นเหตุของสมาธิที่เป็นผลสมาธิเป็นเหตุมันคือปัญญาปัญญาเกิดเป็นผลปัญญาเป็นต้นเหตุกิดมรรคผลเการเป็นผลผลมันต้องเป็นมรรคภายทางคือต้องเป็นผู้ใครความหลุดพ้นคนที่จะหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นก็คือเหนือ จิตใจของเราเหนือจริงเหล่านี้คือไม่สามารถที่มีอิทธิพลต่อใจิตใจได้เห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ว่าปัญญามัน เ, นาาเกิดเป็นบุญนักพัฒนาอย่างนั้นมันสามารถเห็นซึ่งปัจจุบันระไ ม, ม่มองไม่เห็นคือมองไม่เห็นหมายว่ามองไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาเนือ้อตาหนังธรรมดาเห็นหมดเกิดแก่เจใ็บตายเห็นหมดแต่ว่าตาในที่เป็นตาข้างใน เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือไม่เห็นโทษเห็นไปของมันสุดท้ายเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้บางทีก็ไม่รู้จักอยู่กันไปกับสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยสิ่งสุดท้ายหนักเข้ายัางไม่พอยังไปปรารถนาเพื่อจะเป็นสิ่งเหล่านี้กันทั้งพุทธเจ้าท่านม่ได้บอกไม่ไดสอนเลยก็ไม่รู้เอาความปรารถนาเหล่านี้มาจากไหนเกิดชาติหน้าจะไหนขอให้เป็นนั่นเป็นนี้เป็นนู่นนะเห็นไหมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปรารถนาเพื่อจะเกิดเลยปรารถนาให้มันดับ ใหรจากการดับรู้จะกการเกิดจากการดับรู้จะกการเกิดา ก, การกดับเพราะในตัวเรามันก็มีแค้นตอนอย่างมันมีมันเกิดมันดับให้รู้การเกิดกันดับมันเกิดกานดับมเมื่อจิตของเราอะไรมันเกิดอะไรมันดับรู้การเกิดขึด้นตันงอยู่มันดับไปเป็นผู้ดูอย่างนั้นเห็นแต่ ป, ประเด็นก็คือเราจะไม่มีผู้รู้อยู่ในใจในนมีผู้รู้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำความรู้ตัว เคยกล่าวนําหลายครั้งเลยว่าเราไม่รู้ตัวจะไม่มีตัวรู้คือยู่ตัวพุทโธนั่นเองเพราะนั้นพุทโธจริงยิ่งใหญ่มากๆเมืพูดกันเล่นๆแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยบอกพุทโธช่วยได้ทุกอย่างเราไปชคิดแค่คําบริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธาช่วยได้มันไม่ใช่อันนั้นเป็นสัจกรรมกิริยาอัานเองแต่แต่พุทโธจริงถ้าพุทโธเกิดก็ไปพุทโธเกิดก็บไปว่า ใจเจนเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่คือคุณสบาบอกว่าผู้ถ่อมเป็นผู้รู้ก็คืออะไรกระทบก็รู้อะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรดับไปก็รู้นี่คือผู้รู้ผู้ตื่นเหมือนตื่นจากการหลับเมื่อก่อนนอนไม่เคยรู้เลยเหมือนคนนอนหลับมีสติพอตื่นขึ้นมาอรู้ตัวตัวเองนอนรู้ตัวตัวเองฝันเองฝันไปเหมือนทุกวันเลยที่เาชีวิตอยู่ปัจจุบันาก็ฝันเหมือนคนฝันแต่เราไม่รู้ตัวเองว่าฝัน แต่ฝันสุดท้ายกลายเป็นไม่มีฝันธรรมดากลายเป็นเพ้อฝันอันตรายนะเรอยู่กับความฝันแต่ไม่ได้อยู่กับความจริงนั้นการปฏิบัติธรรมคือความจริงเรื่งกงวัตจักรธรรมคือธรรมะทรงอยู่ที่มันเป็นจริงเรื่องจริงมันจะแก้ได้อย่าไปอยู่กับของที่มันไม่จริงเลยอย่าไปอยู่ของที่มันผ่านไปแล้วอย่าไปอยู่ของที่ยังไม่มาถึงให้เอาปัจจุบัน วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรปฏิบัติอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรกระทบอะไรได้ต้องคิดอย่างนี้สุดท้ายมันก็จะเป็นปัญญามันปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ตัวของมันเองมันจะปรากฏมันจะรู้ตัวของมันเองมันพูดอย่างมันรู้ได้อย่างไรว่าปัญญามันเกิดมันเราปฏิบัตินะโอ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เป็นมันจะเกิดเองอัตโนมัติ ปัญญารู้ปัญญามากขึ้นมากขึ้นกรรมก็แสงสว่างของใจเราเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเราไม่เคยรู้คือไม่มีวุฒิโทอะไรคุยไงจากเดิมเรามัมืดคือมันไม่สว่างเหมือนกับวันกลางคืนงั้นตอนนั้นตอนนี้กลางคืนทำมันทำลายทําลายพอเมื่อแดกแล้วแสงสว่างเหมือนกันจิตเราที่มันมืดมันบอกว่าจะทําลายมืดปลอดได้ก็ต้องมีแสงสว่างคือปัญญาเพปิดในใจแต่ถ้าปัญญาไม่เคยขึ้นในใจเราไม่มีทางมันกลายเป็นผู้หลง สมมุตินั่งราวข้างต้นนะสุดท้ายก็โทษอะไรไม่ได้ช่วยอะไรกันไม่ได้วนไปเวียนมากลับไปกลับมาอยู่ในเรื่องนี้เองไม่นั้นอยาให้พวกเราทั้งหลายดูเยี่ยงดูอย่างที่ดีๆครูบาอาจารย์ที่ดีๆพวกปฏิบัติปฏิบัติเจ้าที่เป็นเพราะแค่ครูบาอาจารย์จริงๆ จ, จะไปเอาตัวอย่างที่ดีมาเป็นสาระมันใช้สาระตัวอย่างที่เป็นดีก็อย่ า, ายมาคิดว่าไอ้นั้นมันไม่ดีไอ้นู่น ม, มันไม่ดีก็เขารู้มันไม่ดี ถ้จะไปคิดทำใหม่ก็เหมือนเอาของที่มาดีกันไหมเนี่ยอะที่เราไม่มีกําแพงก็ค่อยอย่างนี้เมื่อมัมีกําแพงเอาของไม่ดีมันก็เข้ามาสู่ใจได้งเพราะเราไม่กั้นถึงบอกให้มีศีลเป็นตัวกั้นก่อนไม่สามันเข้ามาภายในของไม่ดีที่มีอยู่ข้างนอกอย่าเข้ามาภายในมันจะกลายเป็นของเน่าของเสียของบูญของเสีย้ใจมันเสียมากก็เสียไปหมดอ่ะไม่ใช่เสียแคใจอย่างเดียวตใจเสียหมดเลย กำลังใจที่มีอยู่หมดทําอะไรไม่ได้อดเครียดเพียแรงทำอะไรไม่ได้ไไไมไดหมดกําลังใจเรนบอกคนหมดกําลังใจคนท้อแท้บพราะ่าหดกำลังใ จ, ง ใ, จใจไม่มีแรงเพราะเราเอาค่าสุตโจมตีของนอกสีเข้ า, ข า, ขามาทำใมีกําแพงปัญหาเราโกอกําแพงสร้างกําแพงอันนี้ด้วยศเส้อยาให้เข้ามาภายในคือใจของเรา มันเข้าก็อยู่ข้างนอกนะเราเกิดแก่จะได้สุดทุกข์นิดแต่ว่าอย่ารับเข้ามารี่ว่าอารมณ์เป็นที่ยินดีอย่ารับเข้าแล้วรับได้ก็ให้พิจารณาสูตรดังกล่าวคือเกิดขึ้นดับรู้ตั้งอยู่พิจารณาให้เราพิจารณาโดยเฉพาะอย่างนี้คือตัวทุกข์ตัวสําคัญที่สุดเมื่อกระทบแล้วอารมณ์บอกว่ามันทุกข์มันไม่สบายมันไม่ชอบสิ่งที่พระเจ้าสอนเรา หลายครั้งหลายวันี้เคยย้ำอยู่เสมอว่าทุกนี่ท่านไม่ได้ให้เราละไม่ได้ให้เราทิ้งไม่ได้บอกไม่อยากท่านมีทุกอยากทิ้งไม่อยากมีปรารถนาไม่อยากให้มันมันไม่ได้ทุกท่านบอกชัดเจนว่าให้เรากำหนดรู้ไม่ได้ให้ละบันคนละเรื่องแต่เราอยากละคือไม่อยากให้นมีนสวนทางกับคาสอนของท่นทนานถ้าเราเข้ามารูเราจะเข้าใจ การตอบเราทำไมมันเป็นทุกข์ต้องถามขึ้นมาแต่มันทุกข์กันมาจากไหนม้นตันั้นมไปยังไงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ยังไงที่เรารับแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์เนี่ยก็รับเข้าไปอยู่กับมันจมอยู่กับทุกข์ท้าก็เราอกกบไปด้วยกันก็อยู่กับทุกข์ก็จมกอดคอกันอย่านี้จริงทุกข์กันมันสอนมนุษย์นะว่าทุกข์ทุกอย่างมันสอนมานุเย์ดังั้นที่เรา ที่เราไม่เห็นทุกทุกวันก็เพราะว่าอริบทุกเนมันปิดบังรีบทก็คือยืนเดินเนาะมันปิดบังนั่งซะหน่อยก็จะเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นคือปดแข้งขาอับเปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วนั่งกับสมาธิเป็นนั่งกระเพียบเอามันนั่งไว้ว่าเอาลุกขึ้นเปลี่ยนเราก็เลยไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริงพอยืนอายืนนานๆอับเมื่อยขาอับนั่นคือทุกข์แล้วนะอับเมื่อยขเอาลุกเดิน ถ้าเขเดินหนักอ่ะมันก็ทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นทุกข์พุทธเจ้าบอกอย่างนี้เพราะนั้นที่บอกว่าคนที่ไม่เห็นทุกข์ก็คือคนที่ไม่เห็นธรรมคนเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมนี่คือธรรมะมันชัดเจนพูดกี่ครั้งก็ชัดพูดร้อยครั้งก็ชัดร้อยครั้งแต่เราไม่ไละมาโอปนังกิโกพิจนะารณานั่นไอ้บทนี้เองเป็นตัว ก, กําหนด เป็นตัวชีวิตเออเราทุกข์เพราะี้จริงแล้วเออเราทุกข์นะไม่ใช่ไทุกทุกคนไม่มีใครที่ไม่ทุกข์เออนั้นเรารู้เออไม่มีใครไม่ทุกข์เออเราก็มีเพื่อนเราไม่โดดเดี่ยวไม่คิดอย่างนี้เมื่อใดก็ตามถ้ารู้เออมีทุกข์เออเราไม่ได้ทุกคนเดียวไม่ได้ทุกคนเดียวถ้ารับเอาคนเดียวเออกระทุกคนเดียวมันทุกเหมือนกันหมดทุกคนทุกคนระย่างเธอเดินกระทุกเพรเดินนายนั่งทุกเพราะนั่งไอคิดกระทุกเพรคิด สารพัดทุกประเด็นก็ลองให้ดูว่าทุกเพราะอะไรก็ค่อยแก้ไขไปฏิบัติเพาะปฏิบัตเพาะปฏิบัเพราะเปนั้นสิ่งที่การดูพระเจ้าคือต้องการกํากับเราคือให้มีสติในทุกกาเรียบทเพื่อกําจัดทุกนั่นเองเมื่อเรียนรู้กับทุกให้อยู่กับทุกให้มองทุกเป็นเพื่อนให้เรื่องทุกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละคือธรรมะแต่เราไม่ได้มองว่าันเป็นธรรมดาบอกว่ามันเป็นศัตรูเพราะเราไม่อยากไม่อยากพบ ไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นนี่คือปัญหาของเราไม่มปัญหาของคนอื่นเพราะนการภาวนาก็ต้องการให้เข้าใจตัวเราเองให้บอบอายทุกอย่างที่เรามีมอยู่เสุดท้ายไปทํากระทุกทั้งนั้นมีอะไรกระทุกเพราะั้งนั้นมีสิ่งใดกระทุกทั้งนั้น มีเสียมีท uh, mm. mm. ok ุกขก็จะมีมีไปอาภุกเถื่อนมีลูกภพลูกมีซาลาพัดจุกเลยนะเป็นเพราะอะไรทำไมทุกเพราะว่าพันธนาการผูกมัดจิตใจเราไว้มันไม่อิสระมิอิสระไม่เต็มที่ทํำอะไรก็นึกถึงเกงใจกลักระทบไหนเห็นั้มมันเป็นเครื่องผูกมัดกันมันไม่อิสระแต่ถ้าจิตมัอิสระเรามาเอามันธรรมชาติพิจารณาอะไรมันก็หนักมันก็เบาไปหมด ก็ไม่มีภาระไม่มีของหนักที่วางอยู่ยนะี่เห็นว่าเขาแม่ครูอาจารย์นะ้วท่านไม่มีอะไรไม่มีครอบครัวมีลูกภูมิเมียมีเรื่องงานอื่นอนะ่ะมันท่านยองเบามันจะไปได้ไกลไปได้เร็วเราก็เรียนแบบบางสิอย่างน้อยก็เป็นบางครั้งบางข่าวบางช่วงบางเวลาก็ยังดีดีก็ไม่เรียนเบื่อท่านเลยก็หลอกถึงภาระที่มีอยู่ล่องวางภาระที่มีอยู่เราจะเห็นความเบาเบาของกายแบบหนึ่ง เบาของใจแบบหนึ่งแต่ท่านนะั้นเบาทั้งกายเบาทั้งใจมันต่างกับเราเราหนักทั้งกายหนักทั้งใจมนะันมันตรงกันข้ามนั้นเราทําได้สิ่งเราได้ทําได้ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าเราให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใช้มันให้มันเป็นประโยชน์อย่าไปใช้มันให้มันเป็นโทษมันเป็นโทษกันอยู่อย่างนี้ กลายเป็นพิษกายเป็นภยัยกลายลเป็นสตรูมีทิมิต ม, มองทุกข์ให้เป็นเมิตรมองทุกข์เป็นเพื่อน แ, แล้วก็อยู่กับทุกข์กัิยาสบายใจเรียกว่าสบายใจดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดจากการฝึกจากการเริ่มต้นจากพื้นฐานทั้งนั้นถ้าเรา ม, ามีพื้นฐานมาก่อนลำบากกระโดดขึ้นไปเลยจะเอายอดเอาปลายเอาปัญญาไม่ได้การปฏิบัติซิ่งเสมอว่าครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักคือพื้นฐานก่อน การแลกก็คือลำต้นขอ ง, อางการคือเนขั้นสุดปลายคือยอดคนนี้ขึ้นสุดยอดมันต้องหา่านระดับกันต้นเมื่อถึงยอดแล้วไม่เป็นไรมาคอยแตกยอดแทงยอดแจมนาออกไปมันก็เป็นเรื่องของยอดละนั่นคือสุดยอดละยอดนั่นคือปัญญานั่นเองขอให้เราทุกหลายได้ดำเนิชีวิตดูโดยอาศัยปัญญาอย่าไปอาศัยศัพท์แต่ว่า สัญญาอาศัยสัญญาลําบากสัญญาหนักเข้าสัญญามากกระทุกมา ก, ม ก, มา ก, ก, มากยิ่งจำได้มารู้มากกทุกมากยิ่งจําของไม่ดียิ่งหนักเลยถ้าจําของดีก็ข ย, ยันชั่วหน่อยพอเป็นประโยชน์อยู่แต่ถ้าจำของไม่ดีจํารูปไม่ดีจําเสียงไม่ดีจำกินวิดีโอนี่ลําบากมันเป็นของนอกของเสียมันเข้าสู่ภายในเพราะไม่มีกับเพื่อนอาจารย์ีไปพวกเราลองดูว่าใายสงบ ว่าใจสงบมันเป็นยังไงใจสงบแล้วจริ่งที่มันมีอยู่ข้างในคือใจมันปกติแล้วมันเป็นยังไงมาดูซิว่าอะไรมันเข้ามาถ้าเราไม่มีกระแปงกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอหยาตื่นติ่งกข้ามาทางตาทางแดงหัวหรือในใจวิ่งก่องใจเราดูซิว่ามันเกิดออกจากใจที่มันเปล่งออกไปคิดสาระประคิดมันเป็นยังไงมันเป็นโทษมันเป็นภัยเหมือนกัน สุดท <ersch> ้ายแล้วก mm ็เรือให้เรืออารมณ์ก็คือพุทโธตัมโอจังโผล่เรืออารมณ์นึ่งเอกข้าตาอารมณ์แปลว่าอารมณ์อันเดียวอันใดอันนี้ก็คือพุทโธนั่นเองแล้วเราจะรู้ทั้งหมดทั้งปวงถ้าจิตมันนิ่งจิตมันนิ่งเราจะรู้ทั้งหมทั้จิตไม่นิ่งไม่มีทางไม่รู้อะไรเลยลองดูว่าเราสงบลมหายใจหายใเข้าให้ยใจออกพูด โอ้เราไม่สติกัดขึ้นนิดเดียวมาแต่ลมหายใจแต่ตัวแล้การทำหา่สบายสบายเราจะเห็นความสงบของของใจเรา mm hmm. อาจารย์นี่ไปให้เราตั้งใจเลยนาะจนจะได้โอกาสในเวลาที่สมควร